โดยให้ผู้ปรารถนาบวชเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยว่าพุทธังสรนังคัจฉามิเป็นต้นวิธีนี้เรียกติสรณคคโมนูปสัมปทาต่อมาทรงอนุญาตการอุปสมบทแบบยติตุธกรรมคือมีการเสนอยติหนึ่งครั้งและขอความยินยอมพร้อมใจจากสงฆ์อีกสามครั้งสามวาระรวมเป็นสี่ทั้งยติ จึงเรียกยติจตุทกรรมวิธีนี้เป็นการมอบความเป็นใหญ่ให้สงอย่างแท้จริงมีพระสารีบุตรเป็นอุปชายะองค์แรกพระราธะเป็นภิกษุรูปแรกของวิธีนี้พระราธะเกิดในสกุลพราหม์เมื่อเป็นคเลืหัดได้เป็นผู้ตกยากในยามชาราซึ่งเป็นความทุกข์หนักของชีวิตไม่มีที่พึ่งอื่นจึงไปอาศัยภิกษุทั้งหลายอยู่ในวัดเชตวัน เมืองเสาวัถีช่วยดาย้าวัดกวาดบริเวณวัดและถวายน้ำล้างหน้าบ้วนปากน้ำล้างมือล้างเท้าเป็นต้นแก่ภิกษุทั้งหลายพรามราธะมีศรัทธาในพระาศาสนาอยากบวชเหลือเกินแต่ไม่มีภิกษุรูปใดยอมบวชให้เพราะเห็นว่าพระทะพรามแก่แล้วเกรงจะเป็นผู้มีทิฐิมานะจัดว่ายากสอนยากพรามพ่ายผอมลง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 แต่ไม่มีพิสุรูปใดยอมบวชให้ด้วยเห็นว่าแก่แล้วพระาศาสดาสมปารภเรื่องราธพพามนี้เป็นเหตุรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ตรัสถามท้ากลางสงฆ์ว่าภิสุทั้งหลายในบรรดาพิสุจำนวนเท่านี้ใครเคยได้รับอุปการะไรๆแม้เพียงเล็กน้อยจากราธบพามบ้างเมื่อพิสุอื่นๆนิ่งอยู่พระสารีบุตรจึงกราบทูลขึ้นว่า ข้าแต่พระจอมุนีข้าพระองค์ระลึกได้อยู่วันหนึ่งนานมาแล้วข้าพระองค์ออกบิณฑบาตในเมืองราชคลึกระทัพพรามได้ให้อาหารทัพพีหนึ่งแก่ข้าพระองค์สารีบุตรเมื่อเป็นดังนี้เธอช่วยเปลื้องทุกข์ของพรามผู้เคยมีอุปการะแก่ตนมิควรหรือควรพระเจ้าข้าพระสารีบุตรกราบทูลข้าพระองค์จักให้พรามนี้บวชเอง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 พระราธะก็ได้อาศัยให้อินทร์สีกระปลี่กระเปล่าขึ้นมีผิวพันธ์ผ่องใสขึ้นในขณะที่จาริกอยู่นั้นพระสารีบุตรก็พร่ำสอนอบรมและตักเตือนพระราธะอยู่เนืองๆว่าสิ่งนี้ควรเว้นสิ่งนี้ควรทำพระราธะเป็นพระแก่ที่ว่าง่ายสอนง่ายรับโอวาท ด, ด้วยความเคารพปฏิบัติตามโอวาทของพระสารีบุตรอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่นานนัก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 และจำเป็นวันหนึ่งภิสุทั้งหลายประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาว่าพระสารีบุตรเถระเป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวที ละลึกถึงอุปการะของพราหมณ์ผู้เคยถวายอาหารแก่ตนแม้เพียงทัพพีเดียวเป็นอุปชายะให้พราหมณ์ตกยากบวชแล้วนับว่าได้ทำกิจที่บุคคลอื่นทำได้ยากฝ่ายพระราทะเล่าก็เป็นผู้ว่าง่ายอดทนต่อโอวาทได้ท่านผู้ควรแก่การสั่งสอนเหมือนกันเป็นอาจารย์พราดาธรรมดาบุคคลผู้มีความกะตัญญูกะตะเวทีนั้น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 ทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่บัดนี้เท่านั้นที่สารีบุตรเป็นผู้มีความกตัญญูกตาเวทีแม้ในชาติก่อนสมัยเป็นช้างซึ่งเป็นเดรััฉานสารีบุตรก็มีความกตัญญูกตาเวทีเหมือนกันเมื่อตรัสดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องช้างเชือกหนึ่งถูกต่อไม้แหลมต่าเท้าเดินไปไหนไม่ได้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 เมื่อเตือนใครคนนั้นไม่ควรโกรธควรทําความรู้สึกในท่านผู้นั้นว่าเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้ดูก่อนผู้เห็นภัยในวัฏฏะเกี่ยวกับเรื่องการเตือนนี้สําหรับภิกษุควรปวารณาคือเปิดโอกาสให้ตักเตือนกันว่าท่านอยู่ในฐานนะเป็นอุปชัยยะอาจารย์ของกระผมเป็นความดีอันยิ่งใหญ่ที่กรุณาเตือนกระผมต่อไปขอท่านได้โปรดเตือนกระผมอีก